กระทำหน้าที่ที่พระพุทธเจ้าได้ทรงมอบหมายไว้ให้เพื่อประโยชน์สุขที่จะเกิดขึ้นคือการได้หลุดพ้นจากความทุกข์ในระดับต่างๆด้วยการมาทำธุระสองธุระที่ชาวพุทธเราได้รับมอบหมายจากพระพุทธเจ้า ก็คือหนึ่งคันธทุระสองวิปัสสนาทุระนี่คือทุระหน้าที่ของชาวพุทธเราที่พึงกระทำกันเพื่อประโยชน์อันเลิศอันประเสริฐที่พระพุทธเจ้าและพระอรหันตสาวกทั้งหลายได้รับกันจะเป็นประโยชน์ที่พวกเราทุกคนนี้ มีสิทธิ์ที่จะได้รับเท่าเทียมกันทุกคนถ้าเราทำหน้าที่ที่พระพุทธเจ้าได้ท่งมอบหมายให้พวกเรามาก็ททำกันหน้าที่อันแรกเรียกว่าคันทะทุระแปลว่าการศึกษาพระธรรมคำสั่งคำสอนศึกษาวิธีการปฏิบัติเพื่อให้เราได้ บรรลุถึงธรรมอันประเสริฐที่พระพุทธเจ้าและพระอาหารหันตสาวกทั้งหลายได้บรรลุถึงเมื่อเราได้ศึกษาวิธีปฏิบัติที่ถูกต้องแล้วเราก็นำเอาไปปฏิบัติคือขั้นที่สองเรียกว่าวิปัสสนาธุระคือการทำให้ผลอันเลิ่นอันประเสริฐจากการศึกษา จากการปฏิบัติให้เป็นจริงขึ้นมาให้รู้แจ้งเห็นจริงในมรรคผลนิพพานที่พระพุทธเจ้าและพระอรหันตาสาวกทั้งหลายได้บรรลุถึงกันขั้นแรกเราต้องศึกษาวิธีการปฏิบัติเพื่อมรรคผลนิพพานว่าเราจะต้องปฏิบัติอะไรกันบ้าง เมื่อเรารู้แล้วว่าเราต้องปฏิบัติเราก็เริ่มปฏิบัติกันได้เลยการศึกษากับการปฏิบัตินี้สามารถทำควบคู่กันไปได้ช่วงหนึ่งเราก็ศึกษาพอเราได้ศึกษาแล้วรู้ว่าเราต้องทำอะไรเราก็นำเอาไปทำกันทำไปแล้วเราก็กลับมาศึกษาใหม่เพื่อเสริมความรู้ความเข้าออ ความเข้าใจของการปฏิบัติให้ดีขึ้นไปตามลาดับการปฏิบัติกับการศึกษานี้เป็นสิ่งที่ไม่ควรแยกออกจากกันคือเป็นของที่ต้องพึ่งพาอาศัยกันการศึกษาเป็นการสนับสนุนให้เกิดการปฏิบัติที่ถูกต้องเมื่อเกิดการปฏิบัติที่ถูกต้องก็เกิดการก้าวหน้า พอเกิดการเข้าหน้าก็ต้องไปศึกษาทำที่สูงขึ้นไปต่อไปว่าจะต้องปฏิบัติอะไรเพราะการปฏิบัติธรรมเพื่อบรรลุมรรคผลนิพพานนี้เป็นการกระทาเป็นการปฏิบัติเป็นขั้นเป็นตอนเหมือนกับการศึกษาในทางโลกที่มีการศึกษาเป็นขั้นเป็นตอน นับตั้งแต่ระดับแรกถึงระดับที่สูงสุดมีแบ่งกันเป็นขั้นเป็นระดับเช่นขั้นแรกเราก็เรียกว่าอนุบาลขั้นที่สองเราก็เรียกว่าประถมขั้นที่สามก็มัธยมขั้นที่สี่ก็อุดมศึกษาระดับปริญญาตรีโทเอกตามลําดับไปการปฏิบัติธรรมก็เป็นในลักษณะเดียวกัน เราต้องปฏิบัติตั้งแต่ขั้นต้นแล้วก็ก้าวขึ้นไปสู่ขั้นที่สองที่สามจนไปถึงขั้นที่สูงสุดเป็นการปฏิบัติเป็นขั้นเป็นตอนเป็นขั้นบันไดเพื่อความง่ายดายต่อการปฏิบัตินั่นเองถ้าเราไม่ปฏิบัติเป็นขั้นเป็นตอนข้ามขั้นข้า ม, ามตอนไป การปฏิบัินี้จะยากและจะไม่ได้เป็นผลนั่นเองดังนั้นเราต้องศึกษาขั้นต่างๆของการปฏิบัติว่ามีอะไรบ้างทั้การปฏิบัติเพื่อมรักผลนิพานนี้ก็มีแบ่งอยู่เป็นสามขั้นตอนใหญ่ๆขั้นแรกเรียกว่าการทําทานขั้นที่สองเรียกว่าการรักษาสิง ขั้นที่สามเรียกว่าการภาวนาอันนี้แบ่งเป็นสามขั้นแต่ละขั้นนี้จะมีความยากง่ายต่างกันขั้นแรกนี้จะเป็นขั้นที่ง่ายที่สุดตามมาด้วยขั้นที่สองคือขั้นรักษาสี่งแล้วตามมาขั้นที่สามคือการภาวนาการที่เราจะปฏิบัตินี้เราจึงควรที่ ทำขั้นที่ง่ายก่อนถ้าเรายังไม่ได้ทําถ้าเราทําได้แล้วเราก็ข้ามไปขั้นที่สองได้เลยถ้าขั้นที่สองเราทําได้แล้วเราก็ข้ามไปขั้นที่สามได้เลยแต่ถ้าเรายังทําขั้นที่หนึ่งไม่ได้เราก็ควรที่จะทาขั้นที่หนึ่งให้ได้ก่อนขั้นที่หนึ่งก็คือการทําทานการเสียสละบแบ่งปัน การใช้เงินทองเข้าของเพื่อให้เกิดความสุขกับตัวเราและเกิดความสุขเกิดประโยชน์แก่ผู้อื่นการทําบุญทำทานนี้ความจริงคือการหาความสุขให้กับใจของเรานี้เองด้วยการทําคุณทําประโยชน์ให้แก่ผู้อื่นเพราะว่าการหาความสุขให้กับเรานี้บางทีเราก็ไปหาความสุข ในทางที่ไม่ถูกแทนที่จะได้แทนที่จะได้ความสุขเรากลับได้ความทุกข์ติดมาด้วยเช่นการหาความสุขจาก <ao> ไปซื้อหาสิ่งต่างๆรูปเสีงยงกลิ่นรสต่างๆมาเสษมาสัมผัสการใช้เงินเพื่อซื้อความสุขเหล่านี้ เป็นการซื้อความทุกข์ติดตัวมาด้วยเพราะสิ่งต่างๆเหล่านี้นั้นเป็นเหมือนยาเสพติดเมื่อเสพแล้วมันจะติดติดแล้วเวลาที่ไม่ได้เสพมันจะทุกข์นั่นเองอันนี้ไม่ใช่เป็นวิธีหาความสุขด้วยการใช้เงินใช้ทองของเราถ้าเราอยากจะหาความสุขจากการใช้เงินใช้ทองของเราให้เรา หาความสุขจากการใช้เงินใช้ทองไปกับการทำบุญทำทานเพราะการทำบุญทาทานนี้ไม่เกิดความทุกข์ให้กับจิตใจมีแต่ความสุขเพียงอย่างเดียวเพราะไม่ได้เป็นเหมือนยาเสพติดเป็นเหมือนอาหารเป็นอาหารที่ทำให้ใจมีความสุขมีความอิ่มเอิบใจเวลาได้ทำบุญทาทานได้ทำคุณทำประโยชน์ ให้แก่ผู้จะเกิดความสุขใจอิ่มใจและเวลาที่ไม่ได้ทำก็จะไม่มีความรู้สึกบุบหยุดใจลำคาญใจไม่เหมือนกับการที่เราใช้เงินไปหาความสุขจากทางรูปเสียงกลิ่นรสโฐดทพะชนิดต่างๆเวลาที่เราได้เสพสัมผัสกับรูปเสียงกลิ่นรสเราก็จะมีความสุขกันแต่เวลาใดที่เรา ไม่ได้เสบรูปเสียงกลิ่นรสเวลานั้นเราก็จะรู้สึกมีความหงุดหงิดลาคาญใจมีความทุกข์ใจและถ้าไม่สามารถเสบรูปเสียงกลิ่นรสผดผาส์ต่างๆได้เป็นเวลาอันยาวนานก็จะเกิดความซึมเศร้าขึ้นมาได้เกิดเป็นโรคซึมเศร้าตามมาเราไม่สามารถหาความสุขจากรูปเสียงกลิ่นรสผดผาส์าได้ ไม่ว่าจะเป็นเพราะสาเหตุอันใดอาจจะเป็นสาเหตุเพราะว่าเงินทองไม่พอใช้หรือว่านั่งกายไม่สบายหรือว่ามีเหตุการณ์ที่ทำให้ไม่สามารถที่จะออกไปเสพกับรูปเสียงกลิ่นรสต่างๆได้เช่นในช่วงที่มีการแพร่ระบาดของเชื้อโรคใหม่ๆ ที่ต้องอยู่เก็บตัวอยู่กันอยู่ในบ้านครับช่วงนั้นก็จะมีความรู้สึกไม่มีความสุขกันนั่นก็เพราะว่าเป็นโรคติดยาเสพติดเป็นโรคเสพยาคือเสพรูปเสียงกลิ่นลดพุทธภากันนั่นเองแต่สําหรับผู้ที่หาความสุขจากการทําบุญทำทานนี้จะไม่รู้สึกเดือดร้อนอะไรเวลาที่ไม่สามารถที่จะ ไปทําบุญทําทานได้เพราะการทําบุญทําทานนี้ไม่ได้เป็นยาเสพติดไม่ได้ทาให้ใจมีความรู้สึกหนุดหงิดลำคางใจเวลาที่ไม่ได้ทากลับทาให้ใจยังมีความอิ่มมีความสุขเหมือนตอนที่ได้ไปทาเพราะเวลาที่เรานึกถึงบุญหรือกุศลที่เราได้ทํากันใจของเราก็เกิดความสุขใจอิ่มใจขึ้นมาได้ นี่คือเป้าหมายของการทำทานเพื่อให้เราหาความสุขจากทรัพย์สมบัติเข้าของเงินทองที่เรามีเกินกว่าความจำเป็นที่เราจะต้องเก็บเอาไว้อย่าเอาเงินส่วนเกินนี้ไปซื้อยาเสพติดทางตาหูจมูกนิ้นกายให้เอาไปซื้ออาหารของใจด้วยการทำบุญทำทานในรูปแบบลักษณะต่างๆได้ ไม่จำเป็นจะต้องที่ทำบุญทำทานกับวัดกับพระสงฆ์องค์เจ้าเพียงอย่างเดียวเราสามารถทำบุญทำทานให้กับสัตว์ประสาททั้งหลายทั้งปวงได้ไม่ว่าจะเป็นมนุษย์หรือแม้แต่สัตว์เดรัจฉานเราก็สามารถหาความสุขได้ความสุขจากการทำคุณทำประโยชน์ให้กับบุคคลต่างๆกับสัตว์ต่างๆได้ ขอให้เราทำทานในลักษณะนี้แล้วใจของเราจะได้เกิดมีความเมตตาขึ้นมาด้วยเพราะการทําคุณทําประโยชน์ให้กับผู้นี้ก็เป็นคุณสมบัติเรื้อของผู้ที่มีความเมตตานั่นเองสัเพสัตาเนี่ยตว์ทั้งหลายทั้งปวงขอให้มีแต่ความสุขรักษาตนเถิดสุขีอัตานังปะลิฮะลางตุ เราต้องการให้ผู้อื่นมีความสุขจากการกระทาจากการเสียสละทรัพย์สมบัติเข้าของเงินทองของเราเราทำไปแล้วจะทำให้ใจเรามีความเมตตาเกิดขึ้นมีความปรารถนาดีต่อเพื่อนร่วมโลกไม่ว่าจะเป็นมนุษย์หรือหรืออมนุษย์จะเป็นเดรัจฉานหรือเป็นกายทิพย์ต่างๆเราจะไม่มีความเกลียดชังผู้ใด เพราะเรามีความปรารถนาดีกับทุกๆคนปรารถนาดีอยากให้ทุกคนนั้นมีความสุขไม่อยากที่จะสร้างความทุกข์ให้แก่ผู้อื่นเวลาใครเขาคิดร้ายกับเราหรือทำร้ายเราแทนที่เราจะไปโกรธหรืออาฆาตพยาบาทจองเวรจองกรรมเรากลับจะให้อาภายอัยเขาเพราะใจมีความเมตตาไม่ต้องการสร้างเวรสร้างกรรมให้กับใคร มันก็จะทำให้สามารถที่จะไปทำปฏิบัติขั้นที่สองของการปฏริบัติเพื่อมรักผลนิพพานได้<ม>ก็คือขั้นรักษาสีง<ม>ผู้ที่ทำบุญทาทานด้วยจิตที่เมตตาเป็นเป็นนิสัยนี้จะมีนิสัยที่จะไม่ชอบเบียดเบียนผู้่นมีนิสัยที่อยากจะทำคุณทำประโยชน์ให้ความสุขกับผู้อื่นก็จะ มีความรอบครอบในการกระทำในการพูดต่างๆว่าจะต้องไม่ไปกระทบไม่ต้องไปสร้างความเสียหายเดือดร้อนให้แก่ผู้นั่นเองอันนี้ก็จะเป็นการมีศีลไปโดยอัตโนมัติเพราะการรักษาศีลก็คือการละเว้นการกระทำที่จะไปสร้างความเสียหายสร้างความเดือดร้อนให้แก่ผู้นั่นเอง ศีลก็มีอยู่5ข้อที่เป็นศีลหลักของศีลพื้นฐานของผู้ปฏิบัติเพื่อที่จะก้าวขึ้นสู่ทำขั้นสูงต่อไปก็ต้องรักษาศีลห้าให้ได้คือให้ละเว้นจากการฆ่าสัตว์ตัดชีวิตให้ละเว้นจากการลักทรัพย์ให้ละเว้นจากการประพฤติผิดประเพณีให้ละเว้นจากการพูดปด โกหกหลอกลวงและให้ละเว้นจากการเสพชุรายาเมาและเครื่องมึนเมาต่างๆเช่นยาเสพติดเพราะเมื่อได้เสพพวกของมึนเมาแล้วจะทําให้ขาดสติไม่สามารถยับยั้งการคิดการพูดที่ไม่ดีได้นั่นเองแต่ถ้าเราไม่เสพชูลาเรามีสติสัมปชัญญะมีความรู้ดีรู้ชั่ว เวลาที่เราจะไปคิดจะไปพูดไปทำบาปเราก็จะระงับการคิดการพูดกระทำบาปได้จึงจาเป็นที่จะต้องรักษาสติไว้ให้มั่นคงไม่ให้ขาดสติให้สามารถควบคุมการกระทำทางกายทางวาจาได้อย่างน้อยก็ให้อยู่ในกรอบของศีลห้าเพื่อให้ควบคุมกายวาจาไม่ให้ไป ถ้าสัตว์ไม่ให้ไปลักทรัพย์ไม่ให้ไปไประพูตผิดประเพณีไม่ให้ไปพู ด, ดโกรโกหกหลอกลวงไม่ให้ไปดื่มสุลายาเมาอันนี้ก็จะทำให้เราป้องกันหรือกำจัดความทุกข์ในระดับที่ของศีลได้ถ้าเราไม่ทำบาปใจเราจะไม่ทุกข์กับบาปที่เราทำแต่ถ้าเราทำบาป ใจเราจะเกิดความทุกข์ขึ้นมาเวลาทำบาปแล้วเราจะมีความรู้สึกไม่สบายใจเวลาที่เราต้องรักทรัพย์ของผู้อื่นเวลาที่เราต้องทำร้ายชีวิตของผู้อื่นทำไปแล้วจะมีความรู้สึกไม่สบายใจอันนี้เราสามารถยับยั้งความไม่สบายใจที่เกิดจากการทำบาปได้เพราะว่าเป้าหมายของการปฏิบัติธรรมเพื่อมรักผลมิพานนี้ ก็เพื่อกำจัดความทุกข์ในระดับต่างๆให้หมดสิ้นไปนั่นเองการทำทานที่ได้พูดถึงมานี้ก็เป็นการกาจัดความทุกข์ในระดับการใช้เงินใช้ทองที่ไม่ถูกวิธีเงินทองนี้เป็นเหมือนมีดสองคมที่ถ้ารู้จักใช้ก็สามารถทำเป็นทำประโยชน์ให้กับผู้ใช้ได้ถ้าใช้ไม่เป็นก็อาจจะบาดบาด หรือทำให้ผู้ใช้เจ็บตัวได้จากการใช้มีดที่ไม่ไม่ไม่เป็นนั่นเองเงินทองก็เป็นเหมือนมีดเงินทองนี้สามารถเอาไปใช้เพื่อให้เกิดความสุขกับผู้ใช้ได้หรืออาจจะเอาไปใช้แล้วทำให้เกิดความทุกข์กับผู้ใช้ได้เช่นเดียวกันการใช้เงินทองด้วยการทำบุญทำทานนี้เป็นวิธีใช้ที่ถูกต้องเป็นวิธีที่จะให้เกิดความสุขกับผู้ใช้ เพียงอย่างเดียวไม่เกิดความทุกข์ตามมาไม่เหมือนกับการใช้เงินทองเพื่อไปเสพรูปเสียงกลิ่นรสปวธภพชนิดต่างๆการใช้เงินทองแบบนี้จะทำให้เกิดความทุกข์เพราะว่าเป็นการใช้ใช้เงินทองเพื่อไปซื้อยาเสพติดนั่นเองเวลาติดแล้วเวลาที่ไม่สามารถที่จะซื้อมาเสพได้ เวลานั้นก็จะเกิดความทุกข์ทรมานใจตามมาเน้นการขั้นแรกนี้เราก็กาจัดความทุกข์ที่เกิดจากการใช้ใช้เงินใช้ทองไปในทางที่ผิดใช้เงินใช้ทองในทางที่ถูกโดยการทำบุญทำทานกับสรรพสัตว์ทั้งปวงจะทำกับใครก็ได้ไม่จาเป็นที่จะต้องทำกับวัดกับพระเพียงอย่างเดียวอันนี้ข้อที่หนึ่งคือทาง เมื่อทําทานแล้วก็จะทําให้เกิดมีความเมตตากรุณาต่อสรรพสัตว์ทั้งปวงจึงทําให้การรักษาศีลนี้เป็นของง่ายดายต่างกับผู้ที่ไม่ทําบุญทําทานผู้ที่จะเอาเงินเอาทางไปซื้อความสุขจากรูปเสียงกลิ่นรสนี้จะเป็นผู้ที่ไม่มีความเมตตาไม่มีความปรารถนาดีเพราะคิด เพราะเลียงเอาแต่ประโยชน์เข้าตัวเองหาความสุขให้กับตัวเองเท่านั้นไม่คิดถึงความสุขของผู้อื่นเลยก็จะทำให้เป็นคนที่ขาดความเมตตาเมื่อมีคนาขาดความเมตตาแล้วเวลาจะทำอะไรก็จะไม่คํานึงถึงความเสียหายเดือดร้อนของผู้อื่นตราบใดที่ทำแล้วขอให้ตนเองได้รับประโยชน์สุขก็จะทำ ก็จะกลายเป็นคนที่ไม่สามารถรักษาสิ่งได้เพราะว่าบางทีเวลาต้องการอะไรให้กับตนเองมากๆแล้วต้องไปทําบาปก็จะยินดีที่จะทําทเพราะเวลาเกิดความต้องการอะไรแล้วใจมันจะเกิดความทุรนทุรายเกิดความรู้สึกไม่สบายไม่มีความสุขจะต้องทําสิ่งที่ตนเองอยากจะทําให้ได้ ถึงแม้ว่าจะไปสร้างความทุกข์สร้างความเดือดร้อนเสียหายให้แก่ผู้คนที่ไม่ทำบุญทำทานนี้จะรักษาศีลได้ยากจะเข้าสู่ทางอันเลิศอันประเสริฐที่พระพุทธเจ้าและพระอหรหันตสาวกทั้งหลายได้ไปถึงกันนั้นไปได้ยากถ้าไม่มีใจที่เป็นใจบุญใจกุศลใจที่มีความเมตตากรุณาต่อสรรพสัตว์ทั้งปวงนั่นเอง ั น, นี้คือเหตุผลของการที่ทาไมเราต้องทำบุญทำทานกันทาไมเราต้องรักษาศีลกันเพราะว่าจะทําให้ใจเหล่านั้นเป็นใจที่ดีขึ้นมีคุณสมบัติที่พร้อมที่จะก้าวขึ้นสู่การปฏิบัติธรรมขั้นสูงตามลำดับต่อไปเมื่อเราทําทานได้แล้วเรารักษาศีลห้าได้แล้ว ถ้าเราอยากจะก้าวขึ้นสู่ทํามที่สูงกว่าขั้นสีนก็คือขั้นภาวนาเราก็ต้องเพิ่มการปฏิบัติขั้นศีนอีกสาข้อจากสีน5ห้าเราก็ต้องเพิ่มขึ้นอีกสามข้อคือการรักษาสีน8แปเพราะการรักษาสีน8แปนี้จะช่วยสนับสนุนการปฏิบัติภาวนา ที่มีสองระดับคือสัมมัถาภาวนาและวิปัสสนาภาวนานั่นเองเพราะว่าถ้าเรารักษาเพียงแต่สี่ห้านั้นเรายังสามารถทำกิจกรรมอย่า ง, อ, างอื่นได้เช่นเรายังสามารถที่จะไปหาความสุขจากรูปเสียงกลิ่นรสโผฏภพชนิดต่างๆได้แต่ถ้าเราไปหาความสุขจากกิจกรรมทางตาหูจมูกเล่นกาย เราก็จะไม่มีเวลาที่จะมาภาวนากันนั่นเองดังนั้นถ้าเราอยากจะมีเวลามาภาวนามาเจริญสมถาภาวนามาเจริญวิปัสนาภาวน า, า, วนาเราก็จําเป็นที่จะต้องห้ามกิจกรรมทางอื่นไปให้หมดกิจกรรมทางตาหูจมูกลิ้นกายก็ต้องละ ง, งับไปวิธีที่จะละ ง, งับกิจกรรมทาง ตาหูจมูกเล่งกายได้ก็คือการสมาทานศีนแปนั่นเองศีนแปนี้จะมีข้อเพิ่มเติมที่จะห้ามไม่ให้เราไปหาความสุขจากการเสพรูปศิียกลิ่นรสผพธัธพรชนิดต่างๆเชน่นศีลข้อสมของศีห้าก็จะเปลี่ยนจากการมีสุมิชฉาจาราคือการไม่ประพฤติผิดตเทณีมาเป็นการประพฤติพรหมจรรย์ คือการจะไม่มีการเสพเสพสัมผัสร่วมหลับนอนกับใครเลยแม้แต่ภรรยาคู่ครองสามีของตนก็จะไม่ไปเสพเพราะจะไม่ต้องการเสียเวลาเพราะถ้าไปร่วมหลับนอนกันก็จะเอาเวลาที่เราจะเอามาใช้กับการเจริญสติสมาธิหรือสมถะภาวนา mm hmm. เราก็เลยจําเป็นที่จะต้องงดเว้น ภารกิจการร่วมหลับนอนกันด้วยการสมาทานสีข้อสามเป็นอับรรณจริยาเวรน์มย์จะถือศีลของปรมจารย์คือการไม่ร่วมหลับนอนกับใครแล้วก็เพิ่มศีลข้อที่หคือเราจะไม่หาความสุขจากการรับประทานอาหารการดื่มการรับประทานอาหารเราจะรับประทานอาหารเพื่อ เลี้ยงดูร่างกายการเลี้ยงดูร่างกายด้วยอาหารนี้ไม่จาเป็นที่จะต้องรับประทานถึงสามสี่มือ้อรับประทานเพียงมือ้อสองมื้อก็พอเพียงต่อการเลี้ยงดูร่างกายได้ก็เราก็จะรับประทานไม่เกินเที่ยงวันไปอาจจะรับประทานมื้อหนึ่งก็ได้สองมื้อก็ได้แล้วแต่ความเหมาะสมของผู้ปฏิบัติแล้วแต่กาลังของผู้ปฏิบัติ ว่ามีมากมีน้อยถ้ารับประทานมื้อเดียวเวลามันก็จะให้กับการปฏิบัติก็จะมีเพิ่มมากขึ้นเช่นพระสงฆ์องค์เจ้าที่เป็นพระปฏิบัติท่านจะฉันมื้อเดียวนะท่านกลับมาจากบิณฑบาตก็กลับมาฉันกันพอฉันเสร็จก็ไม่ก็เพียงเวลาเก้าโมงก็เสร็จกิจเรื่องของการรับประทานอาหารแล้วก็ไม่ต้องมายุ่งเกี่ยวกับเรื่องการรับประทานอาหารอีกไปตลอด จนถึงวันต่อไปก็จะมีเวลาว่างให้กับการปฏิบัติภาวนานี่เองแต่สำหรับท่านที่ยังรับประทานอาหารมื้อเดียวไม่ได้ก็เอาสองมื้อแต่ไม่ให้เกินเที่ยงวันอย่างน้อยก็อย่าให้เอาเวลาของการรับประทานอาหารมันยาวไปถึงเย็นแบ่งเอาแค่หยุดแค่เที่ยงวันก็พอ เพื่อที่เราจะได้มีเวลาหลังจากเที่ยงวันให้กับการปฏิบัติให้กับการภาวนานั่นเองและการรับประทานอาหารถ้ารับประทานมากก็จะเกิดเป็นนิวร์เกิดเป็นอุปสรรคต่อาการภาวนาจะทำให้เกิดความอยากนอนเกิดความง่วงเหงาหงานอนเกิดความเกียดคร้านไม่อยากจะเดินจงกรมไม่อยากจะนั่งสมาธิอยากจะนอนเพราะมันอิ่ม หิวแล้วมันสุขมันสบายทางกายก็เลยอยากจะพักผ่อนหลับนอนทางกายต่อก็จะทำให้ไม่มีเวลาที่จะได้เอามาให้กับการปฏิบัตินั่นเองอันนี้คือสี่งข้อ6กคือไม่ให้รับประทานหารมากเกินไปคือไม่รับประทานหลังจากเที่ยงวันไปแล้วแล้วก็รักษาสิ่งข้อที่เจก็คือให้ละเว้นจากการหาความสุขทางตาหูจมูกนิ้นกาย จากการดูหมอและสศพและบันเทิงต่างๆหรือไปตามสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆเป็นต้นเราต้องการเอาเวลาที่หาความสุขทางตาของจมูกลิ้นกายนี้มาให้กับการปฏิบัติให้กับการภาวนานี้และนอกจากการไม่เที่ยวแล้วเราก็ไม่เสริมความงานของร่างกายด้วยไม่ต้องใช้เครื่องสมางไม่ต้องใช้น้ำมัน ไม่ต้องเสริมเสื้อใส่เสื้อผ้าสวยๆงามๆเป็นต้นให้เพียงแต่รักษาความสะอาดของร่างกายก็พออาบน้ำอับท่าด้วยสบู่วิผ้าวิผมใส่เสื้อผ้าแบบเรียบง่ายเพราะเราไม่ได้ไปไหนไม่ต้องไปเข้าสังคมกับใครเราต้องการที่จะเข้าข้างในเข้าไปข้างในใจของเราเพราะข้างในใจของเรานี่ มีของที่ดีมีของที่วิเศษกว่าของต่างๆที่เราจะได้จากการออกไปหารูปเสียงกลิ่นรสผดภะ พ, พชนิดต่างๆนั่นเองให้เราเปลี่ยนทิศทางของการหาความสุขแทนที่จะไปหาความสุขจากรูปเสียงกลิ่นรสผทสะ พ, พชนิดต่างๆให้เรายูเทิร์นหันกลับมาหาความสุขภายในใจของเราจะดีกว่า เพราะภายในใจของเรานี้มีความสุขที่เลิศอันประเสริฐถ้าเราสามารถดึงใจให้กลับเข้าไปสู่ภายในได้เข้าไปสู่ความสงบเราก็จะได้เสพสัมผัสกับรถแห่งธรรมที่ชนะรถทั้งปวงรถแห่งธรรมนี้ไม่ได้อยู่ที่ไหนอยู่ภายในใจของเราเนี่เราให้พวกเรากลับเข้ามาเสพมาสัมผัสกัน แต่ตอนนี้ใจของพวกเราถูกโมหะอวิชชาความหลงหลอกให้เราคิดว่าความสุขนั้นอยู่ที่ภายนอกอยู่ที่ลาบยศสรรเสริญอยู่ที่ลูกเสียงกลิ่นรสผลถ้ากันแต่หารู้ไหมว่าเป็นความสุขที่มีความทุกข์ซ่อนอยู่เป็นเหมือนยาขมเคลือบน้ำตาลดีๆนี่เองเวลาที่ได้เสพได้สัมผัสกับลาบยศสรรเสริญได กับความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายเราก็จะคิดว่าเป็นความสุขแต่พอเสพไปได้สักระยะหนึง่งความสุขนั้นมันก็กายหายไปได้หมดไปได้พอมันจางหายไปหมดไปความทุกข์ก็จะปรากฏตามขึ้นมาทันทีเวลาที่ได้ได้เจริญรากก็ดีใจกันแต่พอรากนั้นเปลี่ยนจากการเจริญมาเป็นการเสือ่อมพอเสื่อมราก ลาบที่เคยให้ความสุขาก็กลายเป็นความทุกข์ตามมาเพราะนี่คือธรรมชาติของโลกประธรรมที่ที่ใจผู้ยังไม่มีปัญญาหลงคิดว่าเป็นความสุขกันหลงคิดว่าลาบยศเสรอเสรญและความสุขทางตาหูจมูกนิ้งกายนี้เป็นแหล่งของความสุขแต่ในสายตาของนักบาตของผู้ชรานั้นจะเห็นว่าเป็นแหล่งของความทุกข์ ทุกเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่ไม่เที่ยงแท้แน่นอนเป็นอนิจจังเป็นสิ่งที่มีการเจริญได้และมีการเสื่อมได้เวลาเจริญก็ให้ความสุขแต่เวลาเสื่อมก็จะให้ความทุกข์ดังนั้นไม่เป็นสิ่งที่ควรที่จะไปแสวงหาเพราะว่ามันเป็นการไปแสวงหาความทุกข์กันนักปราชญ์ทั้งหลายนี้ให้ให้สอนให้ หาความสุขภายในใจของพวกเรานี่ภายในใจของเรานี่แหละที่เป็นแหล่งของความสุขที่แท้จริงความสุขที่ไม่มีความทุกข์ด้วยการปฏิบัติภาวนาจึงจําเป็นที่จะต้องรักษาศีลข้อเจคือละเว้นจากการหาความสุขจากมหลสุขบันเทิงละเว้นจากการหาความสุขจากเสริมสวยความงามของร่างกาย แล้วก็รักษาศี่ข้อที่แปคือละเว้นจากการนอนหลับบนเตียงที่สำราญที่ให้ความสุขมากๆความสุขความสบายมากๆเพราะจะทําให้นอนมากเกินไปเวลาที่ร่างกายได้พักผ่อนพอแล้วพอตื่นขึ้นมาถ้านอนบนเตียงที่สบายที่สุขก็จะทําให้ไม่อยากจะลุกจะนอนต่ออีกจะทําให้เสียเวลามีค่าไป จึงสอนให้นอนบนที่นอนแบบเรียบง่ายเช่นนอนกับพื้นแข็งๆปู ด, ด้วยผ้าด้วยเสือ่ออันนี้จะทําให้นอนไม่มากพอร่างกายได้พักผ่อนพอแล้วพอตื่นขึ้นมาก็จะไม่มีความอยากที่จะนอนต่อก็จะรีบลุกขึ้นมาเพื่อที่จะได้มาเจริญสติมานั่งสมาธิต่อเพื่อที่จะได้เข้าหาความสุข ที่เลอที่ประเสริฐกว่าความสุขที่ได้จากการหลับนอนจากการรับประทานจากการเที่ยวจากการสัมผัสกับรูปเสียงก ล, ธธลิ่นรสผดภพชนิดต่างๆนั่นเองนี่คือศีลสำหรับผู้ที่ต้องการที่จะเข้าไปสู่ธรรมที่สูงสู่การปฏิบัติขั้นภาวนาต้องมีการรักษาศีลแปลดให้ได้ แล้วก็ต้องมีสถานที่ที่เอื้อต่อการภาวนาที่เป็นสถานที่ที่เรียกว่าสัปปายะสัปปายะก็คือสถานที่ที่สงบสงัดวิเวกสถานที่ที่ไม่มีสิ่งต่างๆมาลบควรใจนั่นเองต้องอยู่ที่ที่ปราศจากบุคคลปราศจากแสงสีเสียงต่างๆ พราะเวลาใจได้สัมผัสกับบุคคลได้สัมผัสกับแสงสีเสียงต่างๆจะเกิดการมชัชชทะขึ้นมาหรือจะเกิดโทสะขึ้นมาได้เวลาที่ไปสัมผัสกับคนที่ไม่ชอบก็อาจจะเกิดโทสะขึ้นมาเป็นนิวร อ, อย่างหนึ่งหรือเวลาไปสัมผัสกับรูปเสียงกลิ่นรสที่ชอบก็จะเกิดการมชัชชะทะขึ้นมาเกิดความอยากที่จะเสกก็จะทำให้ไม่มีกำลังที่จะ ดึงใจให้เข้าสู่ความสงบได้เพราะใจจะมัวพระวะพร์โวนกับเรื่องที่ทำให้มีความเกี่ยวข้องด้วยจึงต้องไปหาที่ที่ห่างไกลจากแสงสีเสียงห่างไกลจากบุคคลต่างๆเรียกว่าเป็นการปลีกวิเวปมีการปลีกวิเว ท, เรรวเวทต้องหาสถานที่สงบอยู่ตามลำพัง ถึงแม้ว่าอาจจะไปอยู่ในสถานที่มีผู้ปฏิบัติหลายหลายคนด้วยกันก็ตามก็ไม่พึงที่จะคลุกคลีกันอาจจะมาพบปะกันช่วงเวลาที่ต้องทำกิจร่วมกันเช่นเวลารับประทานอาหารหรือเวลาที่มาฟังเทศฟังธรรมอะไรกันทำกิจร่วมกันได้แต่ไม่ควรที่จะคุกสนทนากันไม่ควรที่จะไม่คลุกคลีกัน ควรที่จะมาทำกิจ ด, ด้วยการมีสติควบคุมกายวาจาใจของตนเองให้ตั้งอยู่ในความสงบอย่าพูดคุยกันอย่าสนทนากันเพราะเวลาพูดคุยกันสนทนากันก็จะต้องใช้ความคิดแล้วถ้าคิดมากๆก็จะพุ่งขึ้นมาแล้วจะทำให้การทำใจให้สงบนี้เป็นอุปสรรคขึ้นมาได้ใจยาก ใจที่ฟุ้งกับใจที่ไม่ฟุ้งนี้มีความยากง่ายต่อการภาวนาต่อการทำใจให้สงบดังนั้นถึงแม้ว่าจะไปอยู่ที่สงบสงัดทิเวกแต่มีอยู่ด้วยกันหลายคนก็ต้องแยกกันอยู่เวลาที่มาทากิจร่วมกันก็ไม่ต้องสนทนากันไม่ต้องทักทายกันแต่งคนก็ต่างมาทำหน้าที่ของตนไปเมื่อเสร็จหน้าที่ก็แยกกลับไปที่พักของตน เรียกว่าต้องการต้องการปีกไม่เวกต้องการอยู่คนเดียวเพราะต้องการที่จะเจริญสติในเบื้องต้นก่อนการจะเจริญสติก็หมายถึงว่าการคอยควบคุมใจไม่ให้ไปคิดถึงเรื่องราวต่างๆนั่นเองให้พยายามหยุดความคิดให้ได้คิดให้น้อยที่สุดเพราะความคิดนี้เป็นอุปสรรคต่อการทําใจให้สงบใจจะสงบได้ใจจะต้องหยุดคิด ถ้าใจไ ม, ไ, มไม่ไม่หยุดคิดใจจะสงบไม่ได้และการที่จะทำให้ใจสงบได้ก็ต้องใช้อุบายของสติอุบายของสตินี้ก็มีหลากหลายด้วยกันมีพุท ธ, ธานุสติมีอาณาปณะสติมีมรณ า, านุสติมีหลายวิธีที่เราจะสามารถใช้อุบายของสติเพื่อควบคุมความคิดเพื่อหยุดความคิดได้ ปกติโดยทั่วไปถ้าเรายังมีการเคลื่อนไหวยังมีทำการภารกิจอะไรต่างๆท่านก็ให้ใช้พุทธานุสติก็ได้หรือกายกตาสติก็ได้พุทธานุสติก็คือให้ดะลึกถึงพระพุทธเจ้าการระลึกถึงพระพุทธเจ้าก็ละลกร ะ, กละลึกได้หลายรูปแบบเช่นจะลึกเพียงแต่ชื่อสั้นๆพุทโธพุทโธไปก็ได้ ให้เราบำเรียพุโทโธพุธโทโธไปภายในใจตั้งแต่เราลืมตาขึ้นมาเลยพอเราลืมตาขึ้นมาถ้าเราอยู่คนเดียวเราไปปีกวิเวกไปเพื่อเจริญภาวนาเราก็ไม่ต้องทําภารกิจอะไรนอกจากภารกิจที่จําเป็นเกี่ยวกับร่างกายของเราเช่นอาบน้ําล้างหน้าแปรงฟันรับประทานอาหารทําความสะอาดเท่านั้นเองเราก็ไม่ต้องมีความคิดต้องคิดมาก เวลาใจจะเริ่มคิดเพอเจ้อเพิ่คิดเรื่อยเปื่อยเราก็ต้องเริ่มใช้พุทโธมาระงับทันทีเพราะถ้าเราพุทโธไว้ความคิดก็จะคิดไม่ได้หรือว่าถ้าอาจจะคิดใหม่ๆก็อาจจะเป็นการแย่งกันคิดความคิดก็จะคิดไปเรื่อยแย่งไปคิดเรื่องนู้นเรื่องนี้เราก็ต้องแย่งความคิดให้มาคิดแต่พุทโธพุทโธไปใหม่ๆนี้จะเป็นการแย่งกันเวลาเราพุทโธแล้วเรายังอาจจะคิดว่าทําไมเรามีความคิดอันนั้นก็เป็นเพราะว่า ช่วงไหนที่เราไม่ได้พุโทโธช่วงนั้นความคิดก็โผล่ขึ้นมาได้ ท, ทันทีนั่นเราต้องพยายามเกาะติดอยู่กับพุโทโธพุโทโธไปไม่ว่าเราจะทํากิจกรรมอะไรก็ตามจะอาบน้ําน้งหน้าแปรงฟันจะรับประทานอาหารทําความสะอาดอะไรต่างๆเราก็ใช้คำบริกรรมพุโทโธแม้แต่การปฏิบัติเช่นการเดินจงกรมเราก็ใช้คำบริกรรมต่อได้พุโทโธไปเดินจงกรมแล้วก็พุโทโธไป อันนี้ก็เป็นวิธีหนึ่งที่เรียกว่าพุทธานุสติด้วยการใช้พุทโธหรือจะใช้วิธีส่วนบทอิติปิโสพุทธคุณก็ได้ส่วนอิติปิโสอรหังสัมมาสัมพุทโธวิชาจรณะสัมปโนไปภายในใจก็ได้อันนี้แล้วแต่ความถนัดความสามารถของแต่ละคนซึ่งอาจจะต่างกันบางคนถนัดพุทโธกพุทโธ พองหนถนัดกับการสวดอดติปิโสก็สวดอดทิปิโสปโไปก็ได้แต่ต้องทําอย่างต่อเนื่องอย่าทําแล้วแล้วก็หยุดหายไปต้องมีพุทธโธคอยควบคุมจะหยุดได้ก็เฉพาะช่วงที่ไม่มีความคิดถ้าใจหยุดคิดไม่คิดเรื่องอะไรก็ไม่มีความจําเป็นที่จะต้องใช้พุทธโธหรือใช้พุทธานุสติแต่พอใจเริ่มคิดขึ้นมาใหม่เราก็ต้องพุทธโธใหม่หรือสวด ส่วนอิติปิโสใหม่อันนี้อุบายของการใช้พุทธานุสติในการกํากับควบคุมความคิดให้ใจหยุดคิดอีกวิธีหนึ่งเราก็ใช้กายกตาสติคือการใช้การเข้าดูร่างกายการเคลื่อนไหวต่างๆของร่างกายเป็นที่ตั้งของสติให้เรามีสติรู้อยู่ว่าขณะนี้ร่างกายกําลังทําอะไรอยู่กําลังยืนกําลังเดินกําลังนั่ง กำลังทำงานอะไรกําลังอาบน้ําล้างหน้าแปรงฟันกําลังทํารับประทานอาหารทําความสะอาดกําลังเดินจงกรมเป็นต้นก็ให้มีสติให้เรารู้อยู่กับการเคลื่อนไหวการกระทําต่างๆอย่าปล่อยให้ใจไปคิดถึงเรื่องนั้นเรื่องนี้อย่าไปคิดถึงอดีตที่ผ่านมาแล้วอย่าไปคิดถึงอนาคตแม้จะคิดทางปัญญาในตอนนี้ก็ยังไม่ควรที่จะคิด เพราะว่ายังไม่ถึงขั้นของปัญญาตอนนี้เราต้องการที่จะฝึกจิตควบคุมจิตให้หยุดคิดให้ได้เพราะว่าต่อไปเราถ้าเราสามารถควบคุมจิตสั่งจิตให้หยุดคิดได้เราก็จะสามารถสั่งให้จิตคิดไปในทางปัญญาได้แต่ถ้าเรายังไม่สามารถควบคุมความคิดหยุดความคิดได้แล้วเราจะไปคิดทางปัญญาเราอาจจะคิดได้เพียงไม่กี่วินาทีแล้วเดี๋ยวก็จะถูก ทางกิเลสเดึงไปคิดทางทางโลก ท, ทันทีทางกิเลส ท, ทันทีโดยที่เราไม่รู้สึกตัวดังนั้นขั้นถ้าเรายังอยู่ในขั้นฝึกสติอยู่เรายังไม่ต้องไปกังวลกับขั้นของปัญญาขั้นแรกนี้ควบคุมความคิดอยุดความคิดให้ได้ให้ใจนิง่งให้ใจสงบตั้งมั่นอยู่ในสมาธิตั้งอยู่ในอุเบกขาให้ได้ ให้อยู่ในอารมณ์เดียวที่เรียกว่าเอกขักกาตารมณ์สักแต่ว่ารู้ใจจะเข้าสู่เอกคักาตารมณ์สู่เบขาสู่ความสงบสู่ความสุขที่เลิศที่ประเสริฐนี้ต้องมีสติเป็นผู้พาไปถ้าไม่เจริญสติไม่มีสติแล้วต่อให้นั่งสมาธิทั้งวันทั้งคืนเดินโยงกรมทั้งวันทั้งคืนใจก็จะไม่มีไม่มีวันที่จะสงบได้ พราะจะเดินใบก็คิดไปคิดเรื่องนั้นคิดเรื่องนี้เวลานั่งก็คิดเรื่องนั้นคิดเรื่องนี้พอคิดไปมากๆเดี๋ยวก็รู้สึกอาการเกิดเจ็บขึ้นมาตามนั่งกายก็ลุกขึ้นมาเดินลุกขึ้นมาเดินก็คิดต่ออีกเดินต่อเดินคิดไปเรื่อยๆเดี๋ยวก็เกิดอาการเหนื่อยเมื่อยอยากจะหยุดอีกก็กลับมานั่งอีกมีกิริยาของการเดินยงกลมของการนั่งสมาธิแต่ใจไม่ได้ปฏิบัติใจไม่ได้ภาวนา เพราะใจไม่มีสติคอยกำกับความคิดของตอนนั่นเองดังนั้นการภาวนาที่จะทำให้เกิดผลขึ้นมาได้ น, นั้นจาเป็นที่จะต้องมีสติ ต, ต่อเนื่องตลอดเวลาสติต่อเนื่องนี้เราเรียกว่าสติสัมปะชัญญะการมีสติที่ต่อเนื่องไม่ขาดตอนแต่เบื้องต้นนี้จะเป็นสติแบบล้มลุกคลุกคานไปก่อนเราอาจจะพุโทโธได้สักไม่กี่นาที แล้วเดี๋ยวก็เถอะไปคิดเรื่องนั้นคิดเรื่องนี้หรือมีอะไรมากระทบมาดึงใจให้ไปคิดอาจจะได้ยินเสียงอาจจะเห็นรูปอะไรสักอย่างหนึง่งก็อาจจะทําให้ลืมพุโทโธไปแล้วก็ไปเริ่มคิดถึงสิ่งที่เกี่ยวข้องกับรูปกับเสียงนั้นก็ได้ดงั้นเราต้องคอยคอยเฝ้าคอยสังเกตด้วยว่าเราเผลอหรือยังเราไปคิดเรื่องอื่นด้วยยังถ้าเราคิดเราก็ต้อง หยุดมันก็เดินกลับมาให้อยู่กับพุโทโธก็ได้อยู่กับบทสวดอิติปิโสก็ได้อยู่กับการเคลื่อนไหวของร่างกายก็ได้แล้วแต่เราจะใช้ในการที่เราจะควบคุมความคิดนี่นี่คือช่วงที่เรายังมีการเคลื่อนไหวอยู่แต่ถ้าเราไม่มีการเคลื่อนไหวเรานั่งอยู่เฉยๆนี้เราก็สามารถเลือกได้ถ้าเราใช้พุโทโธเราจะใช้พุโทโธต่อก็ได้ นั่งหลับตาแล้วก็พุโทโธโดยที่ไม่ต้องดูลมหายใจเข้าออกเลยไม่เกี่ยวกันเลยเอาพุโทโธอย่างเดียวร้วนๆก็ได้พุโทโธพุธโทโธพุธโทโธไปเรื่อยๆจนกวาจิตจะดิ่งจะสงบเข้ามาเป็นเป็นสมาธิขึ้นมาแล้วก็หยุดพุโทโธเองพอจิตนิ่งสงบแล้วพุโทโธก็จะหายไปจิตก็จะสักแต่ว่ารู้มีความสุขมีความสบาย มันจะรู้ว่าเป็นสมาธิเพราะว่ามันจะมีความรู้สึกเบา อ, อกเบาใจขึ้นมาจากอาการที่รู้สึกหนัก อ, อกหนักใจกับการที่จะคอยต่อสู้กับความคิดนั้นพอความคิดหยุดหยุดต่อสู้แล้วความคิดหายไปนี้ใจจะรู้สึกเบาขึ้นมาทันทีเหมือนกับขาดเหมือนกับตกมาจากที่สูงนะวุบลงไปตอนนั้นเราจะรู้ว่าใจเราเข้าสู่สมาธิแล้ว ถ้ายังไม่ถึงจุดนั้นเราก็ต้องพุโทโธพุโทโธต่อไปอย่าแล้วเวลาที่เรานั่งไปแล้วเกิดมีอะไรปรากฏขึ้นมาให้เรารับรู้อาจจะเป็นรูปอาจจะเป็นเสียงเป็นกลิ่นหรือเป็นอะไรต่างๆอย่าไปสนใจมันเป็นการปรุงแต่งของใจมาหลอกให้เราเสียสมาธิอย่าไปสนใจให้เกาะติดไปกับพุโทโธพุโทโธไปเรื่อยๆ แล้วสิ่งต่างๆที่ปรากฏมันก็จะหายไปมันไม่ได้เป็นผลที่เราต้องการเพราะว่ามันไม่ได้เป็นมันไม่มีประโยชน์ต่อจิตใจมันไม่ได้ทำให้ใจเกิดความนิ่งเกิดความสงบเกิดอุเบกขาเกิดความสุขเราต้องพยายามพุทโธไปเรื่อยๆถ้าเราใช้พุทโธถ้าเราถ้าเราไม่ใช้พุทโธถ้าเราใช้การเข้าดูการเคลื่อนไหวของร่างกายเวลาที่เรามีการเคลื่อนไหว พอเวลาเรามานั่งร่างกายไม่เคลื่อนไหวแล้วเราก็ดูลมหายใจแทนดูการเคลื่อนไหวของลมหายใจที่เข้าออกที่ปลายจมูกเข้าดูที่จุดเดียวไม่ต้องตามลมเข้าไปไม่ต้องตามลมออกมาไม่ต้องบังคับลมให้หายใจสั้นหายหายใจยาวให้ดูเฉยเฉยให้รู้เฉยเฉว่าตอนนี้ใจหายใจเข้าหรือเปล่ากําลังหายใจเข้าหรือหายใจออกแล้วลมนี้ หยาบหรือละเอียดสั้นหรือยาวให้รู้แค่นั้นไม่ต้องไปควบคุมบังคับให้มันสั้นหรือให้มันยาวอันนี้เราไม่ต้องการที่จะทำงานไม่ให้ใจทำงานให้ใจนิ่งเฉยเฉยให้รู้เฉยเฉยถ้าไปควบคุมบังคับลมนี้เท่ากับการทำทำงานของใจถ้างานทาถ้าใจยังทำงานอยู่ใจจะนิ่งไม่ได้นั่นเองแต่ถ้าใจรู้เฉยเฉยนี้ใจไม่ทางานแล้ว ใจสักตรวร่ว่ารู้รู้ว่าลมเข้ารู้ว่าลมออกไม่จาเป็นที่จะต้องใช้พุทธโธกำกับลมแต่ถ้าอยากจะใช้ก็ไม่ห้ามเช่นบางคนชอบหายใจเข้าแล้วก็ว่าพุทหายใจออกแล้วก็ว่าโทอันนี้ก็ไม่ห้ามกันทำได้แต่ถ้าเป็นไปได้ไม่ใช้พุทธโธกำกับลมจะดีกว่ามันง่ายกว่าให้ดูลมหายใจไปเพียงอย่างเดียวเท่านั้น จนกว่าใจจะเข้าสู่ความสงบเวลาเกิดความรู้สึกว่าลมหายไปก็ให้ดูความว่างไปแทนดูว่าใจเราคิดอะไรหรือเปล่าถ้าคิดก็หยุดความคิดนั้นให้อยู่เฉยๆให้นิ่งไม่ให้คิดอะไรให้รู้เฉยๆแล้วเดี๋ยวใจก็จะรวมเข้าสู่ความสงบเองต่อไปพอสงบแล้วก็ไม่ต้องทำอะไรเพียงแต่คอยควบคุม อย่าให้ใจคิดวุงแต่งขึ้นมาอย่าให้คิดทำอะไรให้นั่งไปให้นานที่สุดเท่าที่จะนานได้เพราะสิ่งที่เราต้องการจากการนั่งสมาธินี้ก็คือหนึ่งคือความสุขเป็นความสุขที่เลิศที่ประเสริฐที่จะมาทดแทนความสุขจากของลาบยศสารเสริญของรูปเสียงกลิ่นรสผดถภได้ผู้ใดที่ได้เข้าถึงความสุขของความสงบนี้แลนี้สามารถ ละหรือเลิกหาความสุขจากลาบยศสรรเสริญจากรูปเสียง ก, กลิ่นรสผลทพะได้แทนที่จะไปหาลาบยศสรรเสริญหารูปเสียง ก, กลิ่นรสก็จะมุ่งไปหาความสุขที่เกิดจากความสงบแทนแล้เป็นความสุขที่ดีกว่ายั่งยืนกว่าเป็นความสุขที่จะติดไปกับใจหลังจากที่ร่างกายตายไปแล้ว และเป็นความสุขที่จะมาตั้งความทุกข์เวลาที่ร่างกายเกิดอาการเจ็บไข้ได้ป่วยเกิดความแก่เกิดความตายตามมาด้วยอันนี้เป็นสิ่งที่มีคุณมีประโยชน์อย่างยิ่งสำหรับผู้ที่ต้องการที่จะปฏิบัติเพื่อระ ง, งับความทุกข์ต่างๆนี่คือขั้นของสมาธิหรือขั้นของสมถภาวนา เป้าหมายของการภาวนาขั้นนี้ก็คือให้ใจมีความสุขให้ให้เข้าถึงแหล่งความแหล่งของความสุขที่แท้จริงแหล่งของความมั่นมั่นคงของจิตใจคือเบกขาแต่สิ่งที่สมาธิขาดหรือยังไม่ไ ม, ไม่ไม่มีก็คือความถาวรของความสุขนี้เท่านั้นเองสมาธินี้ยังเป็นความสุขแบบชั่วคราวอยู่ ถ้าเราเข้าสมาธิแล้วพอเราออกจากสมาธิมาความสุขที่ได้จากสมาธิก็จะค่อยๆจางหายไปถ้าเราต้องการให้มีความสุขอีกเราก็ต้องกลับเข้าไปอีกแต่ก็ยังมีอีกวิธีหนึ่งที่จะทาให้เราสามารถรักษาความสุขที่เราได้จากสมาธินี้ไม่ให้จางหายไปด้วยการปฏิบัติทำขั้นที่สองที่ของภาวนาก็คือวิปัสสนาภาวนา หรือขั้นเจริญการเจริญปัญญานีเ่เราต้องใช้ปัญญาให้เป็นต้องรู้จักว่าปัญญาคืออะไรปัญญาก็คืออาวุธที่เราจะมาใช้ทำลายสิ่งที่จะมาคอยทำลายความสุขที่ได้จากความสงบของสมาธินั่นเองพอเราออกจากสมาธิมาแล้วถ้าเราไม่มีปัญญาหรือไม่มีสติกิเลสตัณหานี่ยเป็นตัวที่จะมาคอย สร้างความวุ่นวายให้ใจให้กับใจจะทำลายความสุขความสง บ, บที่ได้จากสมาธิเราก็ต้องใช้วิธีกําจัดถ้าเรายังใช้ปัญญาไม่เป็นเราก็ต้องใช้สติกําจัดไว้ก่อนชั่วคราวสติจะกําจัดแบบชั่วคราวแต่ถ้าต้องการจะกําจัดแบบถาวรเราต้องใช้ปัญญาปัญญาก็คือเราต้อง เราต้องรู้ว่าสิ่งที่กิเลสตัณหาต้องการให้เราไปหากิเลสตัณหานี้ต้องการให้เราไปหาลาบยศสารเสริญหาความสุขจากรูปเสียงกลิ่นรสผดเถพระชนิดต่างๆนั่นเองเราก็ต้องใช้ปัญญามาสอนใจว่าสิ่งที่กิเลสตัณหาต้องการนี้เป็นสิ่งที่ไม่ถาวรเป็นสิ่งที่ไม่เที่ยงแท้แน่นอน เป็นสิ่งที่ได้มาแล้วไม่ช้าก็เร็วก็จะต้องมีการเสื่อมมีการสูญ ส, สูญเสียมีการสิ้นสุดลงไม่ว่าจะเป็นอะไรก็ตามสิ่งต่างๆทั้งหลายในโลกนี้ล้วนเป็นอนิจจังทั้งนั้นเป็นอนัตตาเป็นสิ่งที่เราไม่สามารถที่จะไปควบคุมบังคับให้ให้เป็นของเราให้อยู่กับเราไปได้ตลอด ได้มาแล้ววันใดวันหนึ่งก็จะต้องมีการสิ้นสุดลงมีการพัดภาคจากกันเพราะว่าร่างกายของเราก็เป็นสิ่งที่ไม่ถาวรร่างกายที่เป็นเครื่องมือในการหาราบยศสารเสริญสุขพอร่างกายเริ่มมีความเจ็บไข้ได้ป่วยมีความชราสมรรถภาพในการหาความสุขทางตาหูจมูกนิ้นกายการหาราบยศสารเสริญมันก็จะเสื่อมไปหมดไป เพราะนั้นความทุกข์ก็จะเข้ามาทันทีให้พิจารณาให้เห็นความเสื่อมของสิ่งต่างๆที่กิเลสตัณหาต้องการให้เราไปหากันเช่นลาบยศสารเสริญสุขหรือหรือร่างกายของเราก็เช่นเดียวกันร่างกายของเราก็เป็นสิ่งที่เราไม่สามารถที่จะอาศัยไปได้ตลอดเวลาเป็นเครื่องมือหาความสุขให้กับเราทุกสิ่งทุกอย่างไม่มีวันเสื่อมมีวันสิ้นสุดหรอก ถ้าเรามีปัญญาคอยสอนใจให้เห็นตายรักในสภาวธรรมทั้งหลายทั้งปวงว่าสิ่งต่างๆที่จะให้ความสุขกับเรานี้มันเป็นของชั่วคราวมันจะต้องมีวันสิ้นสุดลงเมื่อมันสิ้นสุดลงแล้วความสุขที่ได้ก็จะหายไปมันก็จะปล่อยให้เราอ้างว้างเปล่าเปลี่ยวเดียวดายส้อยเศร้าสร้อ ย, อ ย, อยงอแงเอาต่อไป เราก็ต้องพอเราเห็นด้วยปัญญาว่ามันเป็นทุกข์การที่เราจะไปหาสิ่ ง, งต่างๆที่กิเลสต้องการเราก็จะหยุดหาทันทีเหมือนกับเรารู้ว่าเครื่องดื่มชนิดนี้ถ้าเราดื่มเข้าไปแล้วจะทําให้เกิดโรคมะเร็งพอเราทราบเท่านั้นน่ะเราก็จะไม่ดื่มเครื่องดื่มนั้นอีกต่อไปเพราะไม่มีใครต้องการที่จะเป็นโรคมะเร็งเช่นเดียวกับสิ่งต่างๆที่กิเลสตัณหาต้องการให้เราไปหามานี้มันก็เป็น สิ่งที่จะทําสร้างความทุกข์ให้กับใจของเรานั่นเอง mm hmm. เมื่อเรารู้ว่าทำไปแล้วมันจะทําให้เราทุกข์ถึงแม้ว่าจะได้ความสุขในเบื้องต้นแต่ในบ้านปลายมันจะต้องกลายเป็นความทุกข์อย่างแน่นอนถ้าเราเห็นด้วยปัญญาเราก็จะสามารถที่จะระงับความอยากต่างๆได้ mm hmm. ความอยากที่จะสร้างความทุกข์ให้กับใจของเรา mm hmm. มันก็จะลดน้อยลงไปตามลาดับ mm hmm. พอความอยากลดน้อยลงไปลาดับ การบรรลุถึงมรรคผลนิพพานขั้นต่างๆก็จะปรากฏตามขึ้นมาเป็นขั้นเป็นตอนไปเบื้องต้นเราก็ต้องตัดความอยากทางกามให้หมดการละตัณหาด้วยรตัดรูปเสียงกลิ่นลดผลทภภัพระการเสพรูปเสียงกลิ่นลดผลทัพระไม่ว่าจะเป็นสิ่งของหรือ บ, บุคคลบุคคลที่เราจะร่วมหาความสุขด้วยเราก็ต้องพิจารณาให้เห็นว่าเขาก็เป็นของไม่เที่ยง เขาก็เป็นของที่ไม่ไม่ถาวรความสวยงามความหล่อเหลาของเขาก็ไม่ใช่เป็นสิ่งที่เที่ยงที่ถาวรวันใดวันหนึ่งเขาก็ต้องแก่เขาก็ต้องเจ็บเขาก็ต้องตายร่างกายของเขาที่เคยสวยงามก็จะกลายเป็นร่างกายที่ไม่น่าดูน่าชมต่อไปเราต้องพิจารณาให้เห็นเพื่อละการมาหลงละความอยากที่จะเสพกับการกับบุคคลต่างๆด้วยการเห็นอสุภะ เหนความไม่สวยไม่งามของร่างกายเพราะร่างกายนี้มีที่ส่วนที่สวยและมีส่วนที่ไม่สวยส่วนที่สวยก็อยู่เพียงภายนอกที่น่าดูแต่พอเรามองลึกเข้าไปข้างในภายใต้ผิวหนังก็จะมีเนื้อเอ็นกระดูกมีโครงกระดูกมีปอดมีตับมีไตมีลำไส้มีอะไรต่างๆที่ไม่น่าดูน่าชดถ้าเราสามารถสอนใจให้มองเห็นอวัยวะต่างๆภายในร่างกาย ของคนได้ความคิดความอยากที่ย้ําร่วมหลับนอนกับคนนั่นก็จะหายไปเพราะจะไม่เพราะจะรู้ว่าเป็นสิ่งที่ไม่น่าร่วมหลับนอนด้วยนั่นเองลองคิดดูเกิดคู่ครองเราเกิดถ้าเขาตายไปในวันนี้แล้วคืนนี้เรายังอยากจะนอนกับเขาหรือเปล่าหรือเราบอกไม่เอาแล้วให้เขาไปอยู่วัดดีกว่าเพราะว่าเราเริ่มเห็นสุภาษของเขาแล้ว ทั้งๆ ท, ที่ยังไม่ได้เห็นอะไรเพียงแต่เห็นว่าเขานอนเฉยๆเขาไม่หายใจนี้เราก็รู้แล้วว่าถ้าปล่อยไว้ที่บ้านเดี๋ยวนานขึ้นร่างกายต้องเน่าเปื่อยนั่นเองร่างกายจะต้องส่งกลิ่นเหม็นขึ้นมาไม่มีใครเก็บไว้ที่บ้านต่อให้รักกันขนาดไหนก็ตามเมื่อถึงเวลาที่ร่างกายหยุดทํางานแล้วก็ไม่มีใครต้องการร่างกายนั้นอีกต่อไปเพราะโดยธรรมชาติที่แท้จริงร่างกายมันไม่สวยงาม แต่ความหลงของเราไม่ความขาดปัญญาของเราทําให้เราไม่คิดเราไปคิดว่าร่างกายนี้สวยงามตลอดเวลาน่าดูหน้าชมเพราะว่ามีการคอยรักษาความสวยความงามความน่าดูไว้นั่นเองคอยรักษาป้องกันไม่ให้มีสิ่งที่เหม็นสิ่งที่สปกปรกออกมาให้กับผู้อได้รับ ร, รู้ก็เลยเห็นว่าร่างกายนี้น่ารักน่าดูหน้าชมแต่ ถ้าดูตามหลักความเป็นจริงแล้วมันไม่น่าดูน่าชมเลยเพราะเวลาที่คนตายไปแล้วนีน้ไม่มีใครเก็บเอาไว้ไม่มีใครรักษาเอาไว้ไม่มีใครต้องการอีกต่อไปเพราะไม่สวยไม่งามไม่น่ารักไม่น่าดูน่าชมนั่นเองนี่คือการกำจัดกามต่างๆให้มันหมดไปจากใจถ้ากำจัดกามให้หมดไปจากใจแล้วก็ยังเหลือสิ่งที่เรายังยึดติดอยู่คือความสุขที่ได้จากความสงบ จากรูปปัจจานก็ดีจากอรูปปัจจานก็ดีเราก็ต้องพิจารณาว่าความสุขของรูปปัจจานหรืออรูปปัจจานก็เป็นความไม่เที่ยงเหมือนกันถ้าเรายังต้องอาศัยความสุขจากรูปปัจจานอยู่เราก็ยังจะต้องทุกข์เพราะเวลาที่เราไม่สามารถเข้ารูปปัจจานได้เข้าสู่อรูปปัจจานได้เราก็จะเกิดความรู้สึกหกรธจิตลําคาญใจขึ้นมาเราก็ตัดความอยากในรูปปัจจานในอรูปปัจจานให้ได้ ด้วยการเห็นว่ารู ป, ประชาญหรือรู ป, ประชาญก็เป็นไตรลักษเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาถ้าเราตัดได้เราก็จะอยู่แบบไม่มีความอยากได้พอเราไม่มีความอยากในใจอุเบกขาที่เราได้จากความสง บ, บมันก็จะอยู่คู่กับใจไปตลอดกลายเป็นความสุขที่ถาวรที่แท้จริงเป็นความสุขที่เราไม่ต้องปกป้องไม่ต้องสร้างมันเป็นความสุขโดยธรรมชาติจะอยู่คู่กับใจไปตลอด เราเรียกวความสุขนี้ว่าเป็นความสุขของพระนิพพานนิบานังปรมังสุ ข, ขังความสุขของพระนิพพานเกิดจากใจที่สะอาดบริสุทธิ์หลั จ, จากกิเลสตัณหาความโลภความอยากต่างๆที่ได้ถูกกำจัดด้วยอำนาจของปัญญาคือการเห็นปลาลักษณ์ในสิ่งต่างๆที่กิเลสตัณหาต้องการให้ไปหามาเสกนั่นเองนี่คือผลขั้นสุดท้ายในที่สุดก็ต้องตัดความอยากทุ ก, ทกชนิด ตัดความอยากในรูปเสียงกลิ่นรสตัดความอยากในความสงบของรูปประชานตัดความอยากของความสงบของรูปประชานไปให้อยู่โดยไม่มีความอยากเท่านั้นเองเวลาไม่มีความอยากแล้วใจนี้จะไม่มีความทุกข์ไม่มีความวุ่นวายมีแต่ความนิ่งความสงบความสบายนี่แหละคือผลอันเลิศอันประเสริฐที่พระพุทธเจ้าและพระอรหันตสาวกทั้งหลายได้เสพได้สัมผัสด้วยการ ปฏิบัติธรรมสามขั้นไม่ว่าจะเป็นพระพุทธเจ้าหรือพระสาวกทั้งหลายก็ดี <c oughs> ก็ต้องปฏิบัติธรรมทั้งสามขั้นนี้มาเหมือนกันคือทานศีลและภาวนาพระพุทธเจ้าก็ต้องทาทานสละราชสมบัติแล้วก็ออกบวชมารักษาศีลของนักบวชแล้วก็เอาเวลาไปปีกเว่ยแสวงหาความสงบจากการเจริญสมถภาวนา หลังจากได้สมถาภาวนาได้ความสงบได้อุเบกขาพอออกจากสมาธิมาก็ใช้ปัญญาคอยกําจัดความอยากต่างๆที่จะมาคอยทําลายอุเบกขาความสงบความสุขให้หมดไปพอใช้ปัญญาก็สามารถที่จะกําจัดความอยากต่างๆได้หมดกําจัดกามตัณหาภาวะตัณหาและวิภวะตัณหาได้พอตัณหาทั้งสามหมดสิ้นไปใจก็ สะอาดบริสุทธิ์ขึ้นมาความทุกข์ทั้งหลายที่เคยเกิดจากตัณหาทั้งสามก็หมดสิ้นไปเมื่อใจไม่มีความทุกใจก็เหลือแต่ความสุขโดยธรรมชาติเป็นความสุขของใจที่ถาวรเรียกว่านิพพานท่นั้นเองและใจที่สงบ ท, ที่ปราศ จ, จากความอยากก็เป็นใจที่ไม่ไปเกิดอีกต่อไปเพราะเหตุที่พาให้ใจมาเกิดกันก็เพราะความอยากทั้งสามนี่เอง กายตัณหาภาวะตัณหาและวิภาวะตัณหาพอถูกทำลายด้วยปัญญาไปแล้วเหตุที่จะดึงใจให้มาเวียนว่ายตายเกิดก็สิ้นไปทุกข์ที่จะเกิดตามมาก็หมดไปทุกข์จะมีแต่ผู้ที่เกิดเท่านั้นทุกข์ย่อมไม่มีกับผู้ที่ไม่เกิดถ้าตราบใดยังมีการเกิดอยู่ไม่ว่าจะเกิดสูงเกิดต่ำเกิดรวยเกิดจนก็ยังต้องเจอความทุกข์ของความแก่ความเจ็บความตายอยู่นั่นเอง แต่ผู้ที่ได้ปฏิบัติทานศีลภาวนาอย่างเต็มที่จนบรรลุถึงธรรมขั้นสูงสุดแล้วก็จะไม่ต้องมีการกลับมาเจอกับความทุกข์ของการเกิดแก่เจ็บตายต่อไปนี่เกิดผลที่เราจะพึงได้รับจากการที่เรามาทำหน้าที่ของชาวพุทธคือคารทธุระศึกษาพระธรรมคำสอนและวิปัสสนาธุระการปฏิบัติเพื่อทำให้แจ้งในมรรคผลนิพพานถ้าเรา พยายามทำกันอย่างต่อเนื่องไม่ช้าก็เร็วเราก็จะได้บรรลุถึงคนเหล่านี้อย่างแน่นอนการแสดงก็คิดว่าพอสมควรแก่เวลาจะขออนุโมทนาให้พรยั า, าวาริวาหาปุราปาริกปุเรนติสาขลังเอวเมวะอิตทุทินังเปตานาังอุปกาปติ เอชีตังปฏทิตังตุมหังคิปเปเมวัสมิจฉตุสาเทปุเรนตุสังกปาจันโทปนะระโสยธามณิโชติระโสยธาสัพพิติโยวิวัชานตุสัพพารุโควินัสตุ มาเตผวะตวันตรายูสุขีทีขายุโกผวะอภิวัฒนศีลสะนิจังวุทธาปจายินโนจตารุธัมมวาทานติอายุวันโอสุขังภาลาาังช่วงต่อไปนี้เป็นช่วงถามตอบคำถาม ใครมีคำถามอะไรอยากจะถามก็ขอเชิญถามได้ในช่วงนี้จะเข้ามาถามเองก็ได้มีไมโครโฟนให้พูดหรือจะเขียนใส่กระดาษส่งข้อความเข้ามาแทนก็ได้ถ้ามีมือถือก็สามารถส่งข้อความเข้ามาทางเพจทางยูทูบได้วันนี้มีผู้ติดตามทั้งหมดเท่าไหร่ ทาง Facebook พระอาจารย์431 YouTube พระสุชาติไลฟ์244 y o u t u ด e อกเตอร์วีชาแนล121วิทยุออนไลน์8 Clubhouse 9 9นาุติ178รวม991ค่ะ okay. ใครมีคำถามอยากจะถามก็ถามได้เนะี่ย ถ้าไม่มีอะทางบ้านก็ได้ถ้าทางบ้านมีคำถามคาม่ะคำถามจากคุณมาลีสมาธิที่จะทำให้พ้นทุกคือจิตสงบนิ่งไม่คิดส่งจิตออกไปข้างนอกไม่เข้าใจว่าจะทำให้เราเห็นธรรมพ้นทุกได้อย่างไรคือสมาธิยังพ้นทุกไม่ได้สมาธิเป็นเครื่องมือช่วยสนับสนุนปัญญาที่จะทำให้เราพ้นทุก คือปัญญาจะเห็นว่าสิ่งต่างๆที่เราอยากได้มันเป็นทุกข์แต่ถ้าเราไม่มีสมาธิไม่มีอุเบกขาเนี่เราจะฝืนความอยากไม่ได้ความอยากมันจะมีกำลังมากถึงแม้จะเห็นว่าทุกข์ก็ไม่เป็นไรขอผ่อนไว้ก่อนวันนี้ขอสุขไว้ก่อนแล้วก็ไปทุกข์ในวันหน้าแต่พอทุกข์แล้วก็ทำใจไม่ได้แต่ถ้าเราเห็นด้วยปัญญาว่ามันเป็นทุกข์ แล้วถ้าเรามีอุเบกขามีความสงบแล้วก็นิ่งเฉยๆไปนั่นเองคํานิ่งนี่จะเอาชนะกิเลสได้แต่คํานิ่งเฉยๆโดยที่ไม่มีปัญญาว่าทํานิ่งไปเพื่ออะไรมันก็ไม่มันก็ไม่นิ่งมันก็ยังอยากได้นู่นอยากได้นี่อยู่แต่พอเห็นด้วยปัญญาว่าสิ่งที่เราอยากได้เป็นทุกข์เป็นตายรักเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาได้มาแล้วเดี๋ยวจะต้องเศร้าโศกเสียใจในภายหลังก็เห็นด้วยถ้าเห็นทุกข์แป๊บ แล้มีอุเบกขาก็หยุดได้แต่ถ้าไม่มีสมาธิไม่มีอุเบกขาถึงแม้จะรู้ว่าเป็นทุกข์แต่ก็สู้ความอยากไม่ได้ความอยากได้มันมีกำลังมากกว่าคนที่ติดยาเสพติดก็รู้ว่ามันเป็นทุกข์อย่าไปเสพมันแต่พออยากเสพแล้วมันห้ามใจไม่ได้มันไม่มีกำลังสู้ความอยากแต่ถ้าไปฝึกสมาธิได้นั่งสมาธิทาใจสงบได้ก็เลิกยาเสพติดได้ คำถามจากคุณพันธิวาอ่านในเพจพระอาจารย์ที่ว่านักปฏิบัติต้องทำตัวซื่อบือ้อไม่ต้องคิดเก่งหรือวิเคราะห์เก่งหมายความว่าอย่างไรครับก็ในขั้นสมาธิเราไม่ต้องการใช้ความคิดไงต้องการหยุดคิดถ้าอยากจะรู้อยากเห็นมันก็จะคิดเรื่อยเปื่อยไปมันก็จะไม่มีเวลาที่จะทาให้ใจนิ่งได้ถ้าเราอยู่ในขั้นสติขั้นสมาธินี้เราต้องทำเป็นเหมือนคน ไม่อยากจะรู้อะไรไม่อยากจะรับรู้รู้เห็นอะไรทั้งสิ้นอยากจะให้ใจนิ่งให้ใจสงบเพียงอย่างเดียวแต่พออยู่ขั้นปัญญาแล้วทีต่ต้องต้องต้องต้องชอบคิดแล้วแต่ให้คิดไปในทางปัญญาคิดไปในทางไตรลักษณ์เห็นอะไรก็พิจารณาว่าเที่ยงไม่เที่ยงสิ่งนี้เที่ยงหรือไม่เที่ยงเป็นของเราหรือไม่ได้เป็นของเรามีตัวตนหรือไม่มีตัวตนอันนี้ต้องใช้ปัญญาต้องคิดต้องวิเคราะห์ เป็นทุกข์หรือเป็นสุขอย่างนี้ความคิดแต่คิดในแนวของใจรักในแนวของอริยรรสัจสี<ม>ว่าถ้าอยากเราจะเกิดความทุกข์ขึ้น<ม>ถ้าเราไม่อยากเราก็จะไม่ทุกข์<ม>ถ้าอยากจะพ้นทุกข์ก็ต้องละความอยากให้ได้ทั้งหมดจะละความอยากได้ก็ต้องเห็นสิ่งที่เราอยากว่าเป็นใจรักเป็นของไม่เที่ยงเป็นของที่จะทําให้เราต้องทุกข์ไม่ช้าก็เร็วคําถามจากเด็กน้อยน้อย เวลาที่โกรธเกลียดอาฆาตใครจะภาวนาไม่ได้เลยจึงขอเมตตาพระอาจารย์ให้อุบายแก้อารมณ์นี้ด้วยครับวิธีแก้ความโกรธเกลียดก็คือต้องให้อภัยต้องไม่จองเวรจองกรรมกันคิดว่าเป็นเรื่องปกติอยู่ร่วมกันเหมือนลิ้นกับฟันอาจจะมีการกระทบกระทั่งกันบ้างเพราะการอับเอเลอห ร, รือขาดสติหรือเรื่องอุบัติเหตุ หรือแม้จะเรื่องจงใจก็ถือว่าเป็นเรื่องส่วนหนึ่งของชีวิตนะที่อาจจะต้องมีการเกิดขึ้นได้แต่ถ้าเราไปจองเวรจองกรรมกันแล้วเรื่องมันก็จะยาวไม่มีวันจบแต่ถ้าเราให้อภัยก็เป็นการตัดไฟเสียแต่ต้นนมความทุกข์ความเครียดความแค้นก็จะหายไปถ้าเราให้อภัยก็ได้เราต้องมองเห็นว่าการให้อภัยนั้นเป็นประโยชน์กับเราไม่ใช่เป็นประโยชน์กับผู้ที่เราให้อภัย เพราะว่าความโกรธของเรานี้จะหายไปจากการที่เราให้อภัยเขาพอเราให้อภัยเขาแล้วความโกรธกินไม่ได้นอนไม่หลับก็จะหายไปทำให้ใจเราสงบกลับมาเป็นปกติ mm hmm. งั้นต้องเห็นประโยชน์ของการให้อภัยว่าผู้ที่รับประโยชน์ที่แท้จริงคือเรา mm hmm. แล้วเราก็จะไไม่มีไปไปสร้างเวรสร้างกรรมกันใหม่ด้วย mm hmm. งั้นให้ถือหลักยอมหยุดเย็น ยอมก็คือยอมแพ้เขาให้อภัยเข้าไปหยุดหยุดต่อสู้กันหยุดจองเวรจองกรรมกันแล้วใจก็จะเย็นจะสบายคําถามจากคุณปุ้ยวันนี้ขอาการถามเรื่องที่ที่ควรอยู่คะ่ะถ้าเราฝึกฝนปฏิบัติต่อไปถึงแม้เราต้องไปอยู่ที่อื่นอย่างนี้ก็เป็นไปได้ไหมคะว่าเราสร้างที่ที่เป็นมงคลของเราที่พอจะปฏิบัติได้คะ่ะ หมายถึงหาสถานที่ที่ปฏิบัติหรือสร้างเองค่ะถ้ามีปัญญามีความสามารถจะสร้างได้ก็สร้างไปแต่ถ้าไม่มีปัญญาก็มีที่เขาสร้างไว้ให้ไปปฏิบัติแล้วตามวัดปฏิบัติต่างๆก็แล้วแต่แต่ถ้าไปอยู่ตามวัดตามสถานที่ปฏิบัติก็อาจจะมีมีกลุ่มมีเพื่อนมีกัลยาณมิตรที่จะช่วยกันสนับสนุนกัน และให้มีให้ความอบอุ่นต่อกันถ้าเราอยู่ปฏิบัติที่ของเราคนเดียวอาจจะรู้สึกว่าเหว่ก็ได้เนืออาจจะไม่ปลอดภัยก็ได้ถ้าเราอยู่คนเดียวมันก็มีมีบวกมีลบอยู่กับวัดอยู่ที่มีครูบาอาจารย์คอยให้กําลังใจเขาให้คําสอนมันก็มีประโยชน์มากแต่ถ้าเราสามารถอยู่ตามําพังของเราปฏิบัติของเราได้ก้าวหน้าก็ที่ก็ได้เหมือนกัน ต้องดูที่ผลของการปฏิบัติว่าอย่างไหนจะจะดีกว่ากันคำถามจากคุณแดงบุญถ้าะสะสมได้มากเท่าใดยิ่งดีใช่ไหมคะบางคนเห็นมาทำตอนแกะคะ่ค่ะบุญก็เป็นอาหารของใจนะถ้ามีบุญมากใจก็จะมีความอิ่มมากมีความสุขมากฉะนั้นก็ทำให้เยอะๆ บางทีทำหนเดียวก็ได้ทามีเท่าไหร่ทำ ห, หมดเลยครั้งเดียวก็ได้บุญเต็มที่อยู่ที่ปริมาณของการเสียสละของเราต่อทรัพย์สินที่เรามีอยู่ถ้าเราสละร้อยทั้งร้อยเลยนี่เราก็ทำบุญได้เต็มรนะ้อยละเช่นคนที่ไปบวชนี่เขาจะสละสมบัติกันไปเขาก็ได้บุญขั้นเทพเต็มรนะ้อยละ พอขึ้นสู่ั้นขั้นเทพเต็มร้อยเข้าพร้อมที่จะเข้าก้าวขึ้นสู่ขั้นพรมต่อไปได้เลยไอภาวนาคำถามจากคุณกรัลรยาหนูอยู่ที่ฝรั่งเศสอุณภูมิตอนนี้นอกบ้านติดลบการที่หนูเห็นแมงมุมในบ้านเราจับไปปล่อยนอกบ้านมันบาปไหมคะหรือแค่ขาดเมตตาเฉยๆคะก็ไปเบียดเบียนเขาเนะ่ไปสร้างความเดือดร้อนให้กับเขา ถ้าเราเป็นเขาเราจะคิดอย่างไรให้มองรวมกลับดูก็แล้วกันถ้าเราคิดว่าถ้าเราเป็นแมงมุมเราก็อยากจะขออยู่ในบ้านไปก่อน <c oughs> เราก็อยากไปทําเขาที่ถึงโหของเขาโหของเราก็แล้วกันคําถามจากคุณปิยมาศซื้อปลาดุกจากตลาดไปปล่อยมีบางคนบอกว่าทําลายระบบนิเวศอย่างนี้เราจะได้บุญหรือบาปคะ ไม่รู้ทําลายหรือเปล่านะเราก็ไม่เก่งทางด้านระบบดิเวท <c oughs> แต่รู้ว่าเป็นบุญแน่ๆเป็นคุณเป็นประโยชน์ทั้งผู้ให้และผู้ที่ได้รับการช่วยเหลือคนป่ามันก็จะได้มีชีวิตอยู่ต่อไปได้เราก็มีความสุขจากการที่เราได้ช่วยเหลือเขาอย่างเรื่องระบบดิเวทไม่รู้เหมือนกันว่าไปทําลายตรงไหน <c oughs> คําถามจากคุณมาลี การภาวนาเราตั้งความหวังไว้สูงแต่ลองไปไม่ถึงไหนและเกิดความท้อถอยเราควรจะทําอย่างไรดีเพื่อที่จะปฏิบัติต่อไปคะคือการตั้งเป้าไว้สูงก็ดีเช่นเราเรียนหนังสือเราก็อยากจะจบป ร, ริญญานะตั้งเป้าไว้ถ้าไม่ตั้งเป้าไว้สูงมันก็จะไปไม่สูงตั้งเป้าไว้ก่อนให้สูงแต่เวลาดําเนินการให้ดําเนินตามขั้นที่เราอยู่ เราอยู่ขั้นปฐมเราก็ทําหน้าที่ของขั้นปฐมไปให้สําเร็จไปเป็นขั้นขั้นไปอย่าไปมองขั้นที่สูงสุดที่เรายังไปไม่ถึงแต่เราต้อ ง, งตั้งตั้งเป้าไว้ให้มันสูงสุดเลยถ้าจบปริญญาเอกได้ก็ดีนะแต่การที่จะไปถึงปริญญาเอกได้เราก็ต้องผ่านขั้นอนุบาลขั้นปฐมขั้นมัธยมไปตามลําดับก่อนอย่างนอย่าไปนึกถึงขั้นสูงสุดในเวลาที่เราอยู่ขั้นอนุบาล เราก็ทำหน้าที่ของขั้นอนุบาลให้ผ่านขั้นอนุบาลไปให้ได้ก่อนอย่างนี้มันก็จะไม่ท้อเพราะว่ามันสามารถอยู่ในวิสัยที่เราจะทำได้แต่ถ้าเราไปคิดถึงขั้นสูงสุดที่เราอยากจะไปแต่ตอนนี้เราไม่มีวิสัยไม่มีสมรรถภาพที่จะไปได้มันก็อาจจะทำให้เราท้อได้แต่เราต้องมองหลักความความเป็นจริงว่าสมรรถภาพของเรานี้เราสร้างขึ้นมาได้ไม่ใช่อยู่ดีๆมันจะโผล่ขึ้นมาเอง เราไม่มีเราก็ค่อยๆสร้างไปตามตามกำลังของเราเดี๋ยวเดี๋ยวมันก็ค่อยๆเจริญกขึ้นไปตามกำลังจากนี้นสุดก็ถึงขั้นสูงสุดได้คาถามจากคุณแดงช่วงวัยเด็กทำอาหารรับประทานค่ากุ้งหอยปูปลาเยอะมากแต่มาระยะหลังทาบุญส่วนใหญ่แบบนี้เราจะแก้กรรมหรือทำตอนนั้นอย่างไรได้บ้างเจ้าคะ าการรมที่เราทำไว้แล้วเราแก้ไม่ได้มันเป็นสิ่งที่ผ่านไปแล้วผลของมันก็จะต้องปรากฏขึ้นไม่ช้าก็เร็วแต่การทําบุญของเราก็มีประโยชน์ในส่วนหนึ่งก็คืออาจจะต้านผลของการของบาปที่เราทำไให้เกิดขึ้นก่อนถ้าเราทําบุญไว้มากกว่าบาปที่เราทําไว้บุญนี้จะแสะดงผลก่อน ทันที่เราจะไปอาบายเราก็ไปสวรรค์ก่อนได้แต่เมื่อไหร่ที่บุญของเราต่ํากว่าบาปน้อยกว่าบาปเมื่อนัน้นบาปก็จะแสะดงผลขึ้นมา ท, าทันทีนั้นพยายามทําบุญไปเรื่อยๆแล้วอย่าไปทําบาปเพิ่มขึ้นอีกแล้วโอกาสที่เราจะต้องไปรับผลบาปในอาบายอาจจะไม่มีเลยก็ได้โดยเฉพาะถ้าเราทําบุญสูงขึ้นไปจนถึงขั้นพระนิพพานเราก็ไม่ต้องกลับมาเกิดติดต่อไปไม่ต้องไปเกิดในอาบาย พอได้เป็นขั้นพรอริยก็ไม่ไปลนะได้ขั้นพระโสดาบันไม่ไปบาป ท, ที่เราทําไว้มากมายขนาดไหนก็ไม่มีผลต่อต่อใจแเราข้อมูลที่เราทำในระดับพระอริยะนี้มันมีกําลังมากกว่าคําถามจากคุณวินลูกต้องดูแลรักษาเลี้ยงดูบิดามารดาทุกวันอาบน้ําจัดหาอาหารให้ทุกมือ้อเพราะท่านแก่แล้วแต่ลูกไม่ได้ไปวัดทำบุญเพราะไม่สะดวกแบบนี้จะได้บุญไหมคะ ได้การทําบุญกับพ่อแม่ก็ถือว่าทําบุญกับพระอาหารพ่อแม่เป็นพระผ้มีมเป็นพระอาหานของลูกๆได้มีโอกาสได้ทําบุญกับพ่อแม่นี่ถือว่าได้บุญมากครูบาอาจารย์ท่านสอนเสมอว่าก่อนที่จะไปทําบุญกับพระนอกบ้านให้ทําบุญกับพระในบ้านก่อนอย่าทอดทิ้งพระในบ้านเลียงดูพ่อแม่ให้ดีก่อนแล้วค่อยไปทําบุญข้างนอกบ้านต่อไปถ้าเราจําเป็นจะต้องไปคําถามจากคุณธรรมรัฐ หลังจากมีการทำบุญทานศีลภาวนาแล้วเราควรจะอธิษฐานในสิ่งที่เราอยากให้เป็นไหมครับคือการอธิษฐานนี้ไม่ได้เป็นการขอนะอธิษฐานทางหลักศาสนาเป็นการตั้งเป้าหมายของการปฏิบัติของเราว่าเราจะทำอะไรบ้างดัง mm. นั้นการทำบุญเสร็จนี้ไม่ต้องอธิษฐานนะเพราะว่าผลของบุญ ม, ม, มันเกิดขึ้นมาโดยอัตโนมัติทำบุญก็จะไปสวรรค์ ท่านั้นถ้าบุญเราทำมากกว่าบาปนะก็จะไปสวรรค์ไม่ต้องขอไม่ต้องอธิษฐานแต่จะขอทำบุญแล้วขอให้ไปนิพพานมันไปไม่ถึงเหมือนตีตัวไปแค่ชนบุรีแล้วจะหวังไปถึงกรุงเทพ ม, มันไปไม่ถึงถึงชนบรีเขาก็ได้ลงจากรถค่ะ <laughs> คำถามจากคุณนาวินบางศาสนาบอกสัตว์ไม่มีวิญญาณเราจะพิสูจน์อย่างไรครับ ก็เราพิสูจน์ที่ตัวเราเองกันแหละ <Yeah. S 1> เรามีวิญญาณหรือไม่ <Yeah. S 1> ถ้าเรามีวิญญาณ mm. สิ่งที่เคลื่อนไหวได้สิ่งที่มีตาหูจมูกนิ้นกายก็ต้องมีวิญญาณเหมือนเราเแต่สิ่งที่ไม่มีตาหูจมูกนิ้วกายนี้ไม่มีวิญญาณเช่นต้นไม้ใบหญ้าสิ่งของต่างๆนี้ไม่มีตาหูจมูกนิ้นกายไม่มีวิญญาณแต่สิ่งที่มีตาหูจมูกนิ้นกายนี้ต้องมีวิญญาณคำถามสกคุณอดิศัก์ ชาตินี้เราตั้งใจแค่ชั้นโสดาบันได้ไหมครับแล้วแต่คุณจะตั้งชั้นไหนแล้วคุณเป็นผู้ปฏิบัติคุณก็ต้องตั้งว่าคุณจะเอาแค่ขั้นไหนก็แล้วคำถามจากคุณก้องหากตอนเด็กเคยฆ่าสัตว์บ่อยเช่นกิ้งกือพอเริ่มโตจึงสํานึกและไม่ทําอีกหากทําบุญปล่อยสัตว์หรือภาวนาแล้วแผ่บุญให้เขาจะช่วยบรรเทาบาปหรือต่ออายุเราได้ไหมครับ เนอย่างที่พูดไว้แล้วนะ่ยบาปที่เราทําำอะนี่มันก็ต้องมีผลของมั น, มนเมื่อถึงเวลาสิ่งที่เราทําได้ก็คือทําบุญให้มันมากกว่าบาปเพื่อให้บุญมันส่งผลก่อนก่อนบาปที่มันจะส่งผลคําถามจากคุณวรังการที่เรายุติการพูดคุยไม่คบหาไม่สุงสิงไม่ให้การช่วยเหลือและไม่เกี่ยวข้องกับคนที่เรารู้ว่าเป็นคนพานถือว่าเป็นการขาดเมตตาไหมเจ้าคะ คือไม่ให้เกี่ยวข้องมาในการแบบว่าให้ไปคุยทีกันทํากิจกรรมร่วมกันเพราะคนที่คนไม่ฉลาดเขาจะนอกจะชวนเราไปทํากิจกรรมที่ไม่ดีที่เสียหายเท่านั้นเองแต่การช่วยเหลือกันก็ยังต้องมีเมตตาต่อกันเสมอไม่ว่าจะเป็นใครก็ตามการแผ่เมตตาการมีความเมตตาพระเจ้าสอนว่าสัพเพสัตตาสัตว์ทั้งหลายทั้งปวงไม่ไม่เลือกเว้นไม่คนที่เราชอบหรือคนที่เราเกลียดน ถ้าถึงเวลาที่เขาเดือดร้อนถ้าเราช่วยเหลือเขาได้เราก็ช่วยเหลือเข้าไปแต่ไม่ให้ไปสูงสิงไม่ให้ไปคุกคีไปกินไปนอนไปทำพฤติกรรมกิจกรรมร่วมกันเพราะเขาจะดึงเราไปทำกิจกรรมในทางที่ไม่ดี คำถามจากคุณมนตรีกับผมภาวนาบริกรรมพุโทโธสติจับจนลมละเอียดแน่นึกคำบริกรรมไม่ได้ในขณะเดียวกันจิตเกิดตกเข้าสู่ผวังเกิดการปรีติสุขทราบสัน้นจิตเลยถอนขึ้นมาอยากเรียนถามว่าจะทําอย่างไรจิตจะไม่ถอนออกมาเมื่อเกิดปิติสุขก็ต้องฝึกสติให้มากขึ้นกํนาลังของสติมีไม่มากพอเหมือนเติมน้ํามันรถไม่เต็มถัง เดิมได้ครึ่งถังก็ไปได้ครึ่งทางงั้นต้องออกมาเติมน้ำมันให้เต็มถังคราวหน้าจะได้ไปไกลกว่า น, นั้นมันพยายามฝึกสติเรื่อยๆสตินี้จะเป็นเหมือนน้ามันที่จะผลักดันจิตให้เข้าสู่สมาธิให้ได้มากขึ้นได้ให้ได้ลึกขึ้นได้นานขึ้นคําถามจากคุณแดงชั้นโสดาบันปฏิบัติอย่างไรเจ้าคะก็ต้องปล่อยวางความยึดติดในร่างกายว่าเป็นตัวเราของเรา ต้องพิจารณาว่าร่างกายเป็นเป็นเหมือนตุ๊กตาตัวหนึ่งที่เราได้มาจากพ่อแม่มาเป็นของขวัญให้เราเอาไปใช้ทําประโยชน์ะไะ้ต่างๆแต่ร่างกายมันก็มีธรรมชาติที่ไม่เที่ยงที่เกิดแล้วต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายก็ถึงเวลามันแก่ก็ต้องยอมนันยอมรับความแก่ถึงเวลาเจ็บก็ยอมรับความเจ็บถึงเวลาตายก็ยอมรับความตาย ถ้าเรารับได้เราก็จะไม่กลัวเจ็บกลัวตายกลัวแก่เราก็เป็นโสดาบันไดคคำถามจากคุณซ u เปอร์สไตรกิ้งการทำงานแล้วต้องมีการแข่งขันแล้วทำให้มีคนไม่ชอบไม่ถูกใจเราควรคิดอย่างไรดีให้สบายใจดีคะก็อย่าไปแข่งเลยทำทำแบบสบายสบายตายไปก็อะไรไปไม่ได้เอามิตรภาพไว้ดีกว่า ดีกว่าเอาสิ่งที่เร า, เาติดตัวไปไม่ได้ทาไปก็แข่งกันไปโดยมีกดตามตาม ก, กฎกติกาก็แล้วกันอย่าไปแข่งแบบที่มันมผิดกดผิดกติกาทำไปตามความความสามารถของเราถ้าเราได้ดีกว่าเขาถ้าเขาไม่พอใจมันก็เป็นสิ่งที่ช่วยไม่ได้เพราะ น, นั่นเป็นความหิ่งเฉลิษยาของเขาที่เราไปห้ามตามเขาไม่ได้แต่เราก็จะทำในกรอบของความถูกต้องดีงาม คำถามจากคุณสมัญญาลูกสาวเพิ่งประสูติอุบัติเหตุเสียชีวิตกระทันหันยังทําใจไม่ได้เลยค่ะอยากรู้ว่าเขาเป็นเด็กดีทําความดีเขาจากไปแล้วเขาจะไปอยู่ภพภูมินที่ไหนคะถ้าเขาทําบาปน้อยกับบุญที่เขาทาไว้หรือบุญที่เขามีอยู่เขาก็ไปสู่สุคติได้แต่ถ้าเขาทาบาปมากกว่าทําบุญเขาก็ต้องไปทุกขติหมดแล้วเลย โอเคเสร็ okay. แล้วก็คิดว่าพอสมควรแก่เวลาก็ขอให้ท่านจงนำเอาสิ่งที่ได้ยินได้ฟังไปพิจิษพิษจรารณาไปปฏิบัติเพื่อความสุขความเจริญก้าวหน้าในธรรมยิ่งยิ่งขึ้นไปเธอ